وإسماعيل وإدريس وذالكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا, وأدخلناهم في رحمتنا هم من الصالحين، و ن إذهاب م ا ض ب ا فظن أن لن نقدر عليه. ف ن َ ا د َ ى فِي الظُّلُماتِ <تصفيق> إِلَّا إ ِ ل َ ا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ในน ا มอัลลอฮ์ผู้ทรงเมต ن าผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์อัลฮ์อัลลอลลอฮ์อัล์อัลลฮ์อัลลอฮ์อัลลฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัอ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮ์ออ์อัลลอฮ์ัลลอฮ์อฮ์ลลอฮ์อัลลอฮ์อลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอลลฮ์อัลลลลอฮอัฮอัลลอลฮอลลัลลอฮ์ฮลลฮ์ ว่าชดว่าแน่โมฮัมเหม็ดนะ عبد ุห์และร و สูละอัลลอฮุมะบิคืออัลบะฮ์นะวับบิคืออัมซัยนะวับบิคือหนา حياء วับบิคือนะมุตุว่าอิลัยคือหนุษร์อ้างวุบบิคือคำว่าที่แล้วถ้ามันที่มีชื่อเรื่องขลับบิสมิลลาฮิลลาดีลายาดุร์มาอัลหมิชัยอุ <c oughs> วะฮฺอัลลอฮฺอัลอาบิลเลาะห์รอดีตุบิล ب ัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ا ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺลอัลลอฮฺอัลอฮฺอัอฮอัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺลลอฮฺออฮลลอฮฺอัลลอฮฺออฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮออฮฺอัลลอลออัลลอฮอั ว่าฟินีฟิสไมาอว่าฟินีฟิบัซซี่ ا ل ห ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสุบที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และต็อาลาที่อัลลอให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมา ดอาที่เราอ่านหลังจากตื่นนอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลล า, ا, าดิอัคยานะบาดามะอามาตานาวาอิลัฮินนูซูรต้องอ่านทุกวันจนกว่าจะตายพอเรานอนทุกวันแล้วก็นอนทุกคืนก็ต้องอ่านทุกคืนนะครับ <c oughs> ทีนี้ก่อนนอน <c oughs> ก่อนนอน ให้ทำไงสุนนะของท่านนาบีก็คือให้เราแปลงฟันอาบน้ำน้ำาตตบตาปัดที่นอนทำที่นอนให้ตึงอย่าให้เป็นไส้ายไส้หมูไส้เป็ดไส้ไก่ต้องฝึก <c oughs> แล้วก็ยกมือขึ้นเป่าแล้วก็อ่านสามกุ้นลูปไปทั้งตัวข้างหน้าก่อนข้างข้างแล้วข้างหลัง แล้วก็ตามด้วยอายะคุรซีแล้ว <generally> ก <naire samurai> ็อ่านดัสบียเขาเรียกว่าฟาลติมะฟาติมียะสุฮานะลอสาครั้งอัลฮัมดุลิลละอีกสามครั้งอัลลอฮุกอัลบัตนะครับถ้าจะอ่านกุรานสราตบารกัลลรีบิยาิฮิลมุลกุวะะลาุลิชอิกอดีอเลย บางคนโอ้โหกว่าจะนอนได้นานจิถ้ารู้ความหมายของอัลกุรอานนี่อัลลอฮฺอักบารมันจะทําให้เรานึกตอนตอนเนี่ยนึกอะไรนึกถึงความตายนึกถึงเราอยู่ในกุโบเนึกอยู่ในสุสานมันเนึกอ่ะพอนึกเราก็ต้องสํารวจดูตัวเองวิธีสํารวจดูตัวเองดูอย่างงี้นมาตฟารดูครบไหม คนที่นมาตฟรดูเนี่ยก็คือคนที่ลงทุนเดี๋ยวนี้การลงทุนทุกครั้งเนี่ยต้องหากำไรฟรดูคือการลงทุนกำไรก็คือนมาตสุนนะมุอะกกะดะฟรดูคือการลงทุนเหมือนลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามมันต้องมีกำไรถ้าไม่มีกำไรก็เรียกว่าการลงทุนที่ขาดทุน เหนื่อยแต่ว่ากําไรไม่มีฉะนั้นการหากําไรในศาสนาก็คือการนมาศก่อนนมาซูบโบมีสองระกาตรักษาอย่าให้ขาดเพราะท่านนาบีรักษานมาศุณหกรซูโบเนี่ยไม่ขาดเลยแล้วก็ก่อนซุฟรีสองระกาตหรือสีราา่ระกาตหลังนมาซูฟรีอีกสองระกาต หลังนมาศวารี บ, รบอีกสองหลังนมาศอิชะอีกสองรอกอารตรวมแล้วเป็นสิบสองราอารตหรือสิบรอกอาตนั่นคือกำไรทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละวันนี้เรามาทบทวนอัลกรุรอานการทบทวนอัลกรุรอานนี่ก็เป็นความเมตตาของอัลลอ์ะนะอัลลอฮ์ไม่ให้ทุกคนนะอัลลอ์ไม่ให้ครับคนที่อัลลอ์ะจะให้ก็คือคนที่นึก ฉันจะต้องจัดแผนชีวิตของเราอย่างไรนี่เดือนนี้เป็นเดือนอะไรนะเดือนชาบานเท่าชาบานมาแล้วเป็นเดือนที่ท่านนาบีถือสินอดหลายวันติดต่อกันอีท่านหญิงอาอิช่าเป็นผู้รายงานเองนะครับอิมามบุคารีมันทึกฮะดิษนี้มาที่นี่ในในประวัติศาสตร์เนี่ยเดือนชาบานนี่อุลมามะ แปลว่าแปลจะสองสองความหมายความหมายหนึ่งแปลว่าการเดินทางขึ้นภูเขาซาบานแปลว่าการเดินทางสู่ภูเขาเพราะภูเขามันสูงต้องการจะอธิบายว่าถ้าหากว่าเราทำความดีในเดือนนี้ตามที่ท่า น, นาอนับดุลสลดกางคือก็รู้ขึ้นนมาตาฮจุตอ่านกุณอ่านซิกรุล้อ ทำตามซุนนะานาบีทั้งหมดชีวิตของเราในเดือนชาบา น, นี่จะทําให้วิญญาณของเรานั่นสูงส่งอีกท่านหนึงอธิบายบอกว่าชาบานแปลว่าการเอาความดีสองรายการมารวมกันแปลว่าอิสติม่าแปลว่าการรวมกันความดีในเดือนชาบานมีสองอย่างหนึ่งค่อยรุนแปลว่าความดีบารอกาตุนแปลว่าความจำเริญ จะด้านคนที่ทําความดีในเดือนชาบาเ น, นี่ยเขาจะได้สองอย่างคอยรุ่นวะบารอกาตุนความดีกับความจำเริญมารวมอยู่ในตัวของเขาเองพอทำมดุลิลเลยทีนี้การถือบวชในเดือนชาบาเ น, นี้ยเป็นการก็เรียกว่าอิสติกบาลภาษาเราว่าอิสติบานเป็นาการต้อนรับถ้าแปลภาษาพูกเราเรียกวอมวอมวอมอะไรนะวอมอัพเป็นการเตรียมตัว ถือสินอดในเดือนรอมาลอนอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาแล้วก็ฝึกกันในเดือนนี้แหละอุลามาบางท่านอธิบายอย่างนี้เดือนชาบานเป็นเดือนที่วางแผนเดือนใงการวางแผนน่ะมีเงินเยอะๆก็ต้องวางแผนจ่ายอะไรจาาา่จายสกาดจ่ายสดเราก็ทำพอดียะทําว่ากับวางแผนเลยครับพ อ, พอชาบานเข้าออต้องวางแผน เราก็วางแผนจะอ่านกุรานเท่าไรดีทีนี้อ่านกุรานในวันนี้มันต้องอ่านคุรานแบบรู้อะไรครับต้องรู้ความหมายแล้วเดี๋ยวนี้ฮาฟิสฮาฟิสในอาเซียนเนี่ยยกเว้นประเทศไทยนะคนที่จะอ่านคุรานในอาเซียนนี่นะต้องแปลภาษากุรานที่อ่านนั้นได้ด้วยหนึ่งให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ สองหรือแปลเป็นภาษามาลายูเอาอย่างได้กุรอานมา30สยุสเนี่ยอ่านได้หมดต้องรู้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่ก็รู้ความหมายเป็นภาษามาลายูให้อาเซียนเนี่ยก็ทำกันแล้วนะมาเลเซียทำอินโดนีเซียทำในโรงอาบาก็ฝึกกันแล้วฝึกเด็กของเรานี่แหละให้ท่องจำอัลกุรอาน แล้วก็รู้ความหมายอย่างน้อยสองภาษาภาษาไม่ภาษาอังกฤษก็ภาษามลายูฉะนั้นเราต้องวางแผนการวางแผนวางแผนในเดือนนี้ดีที่สุดฉะนั้นเราวางแผนอ่านกัรอ่านเท่าไรดีพร้อมกับรู้ความหมายแล้วก็วางแผนต่อไปอีกฉันเนี่ยด่าคนว่าเยอะเล่นงานคนไว้เยอะฉะนั้นการเล่นงานเนี่ยมันต้องไปขอมาอาบเขานะ่ะ ถ้าไม่ขอนี่ยมันบาปติดตัวน่ะบาปติดตัวน่ะต้องไปขอมาก็วางแผนนี่เรจะเดือดชาบานี่จะวางแผนยังไงดีนะให้หน้าแตกบ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งวางแผนเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เราเนี่ยบาปเยอะทําไงจะวางแผนเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ต้องวางแผนทั้งหมดถ้าทําในนามของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สําเร็จทุกากา เอาอธิบายเรื่องซาบานเรียกเน้อยๆนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มีโอกาสมาทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสุรอะไรนะอัลอัมบียาอายาที่สี่สิอายาที่สี่สิอ่าอายาที่สี่สิบเอัอุสบิลลาฮิมินัชสไซฟอนิโรยีมเป็นการทบทวนนะ و أيوب إذن داربّه أني مسني يضر وانت أرحم الراحمين و ي و ب ذ ن ا ر ب ّ ه ن ي مسني ض ر وانت ر ح م الراحمين อนี่เป็น <ين> <ين> เป็นอญญายะที่อัลลอฮ์เล่าว่านบียูนุสขอดุอาขอดุทิอัลลอฮ์ว่าคุณผู้พักขอจากใครรู้ไหมรับบาหูไม่ได้ขอจากโต๊ะตะเกียขอจากใครรับบาหูพ่าผู้อาภิบาลของเขาเองเห็นยังครับเวลาจะขอเนี่ยต้องขอจาก Allah อัลลอฮ์องเดียวห้ามขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกใบนี้ ขอว่าไงครับอั น, นี้มัศนยียบดุลอันนี้ขอตรงๆเลยแท้จริงฉันฉันเป็นอะไรครับมัศนยียบดุลความลําบากหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยได้มาประสบแก่ฉันมัศนยียบดุลดุลแปลแปลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความลําบาก หรือความวุ่นวายความยากลําบากมาประสบแกฉันนักตัดซินอธิบายว่าขออนุอาตบท น, นี้หลังจากป่วยมาแล้วหลายปีบางรายงานบอกว่าเจ็ดปีอ๋อป่วยมาเจ็ดปีแล้วและพรรยาบอกว่าขอได้แล้วท่านอายุ บ, บอกว่าเพิ่มเจ็ดปีเองรีบขอไปไหน อัลลอฮฺเห็นย่างครับแสดงถึงความอดทนแต่ว่านบีมุฮัมมัดสอนให้ขอดูอาเถอะอ่าพวกเรารุ่งยุคเราเนี่ยมันต้องรอนานหรอกเพราะรู้ว่าไม่สบายขอเลยอยาอัลลอฮฺอัลลอฮุมัชฟินีอัลลอฮฺจะให้ฉันหายด้วยเถินะยุคเรานี้ต้องขอดูอานะเพราะอิมานเรามันน้อยอ่ะถ้าอิมานน้อยต้องเรียบขอนะเดี๋ยวมันจะผ่านอย่างอื่นเสียไปหมดใช่ไหม อันต้าวอันตะอัลหะมุร์รฮีมิแะแท้จริงท่านพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งแห่งผู้ทรงเมตตาตั้งหลายนี่วิดเป็นดูอาขอให้หายจากการเจ็บไข้ใดป่วยเราเอาดูานี้เนี่ยมาใชา้สำหรับตัวเราได้ไหมได้เลยครับใช้ได้เลยครับใช้เลย อันนี้มัสศนียดุรุวะอันตารฮัมุราฮิมีพี่น้องจำเอาไปท่องขอดุอาให้กับตัวเองได้เลยนะครับแล้วเป็นไงครับมาดูคำตอบพอขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับหรือไม่รับอายะที่84ดครับฟาสตาจาเบนาลาหูอัลลอฮฺฝาก ฟาَต้าจับَาลาหูฟَ ف ْ ن َนามาบิฮิฟِกชัฟนามาบิ وَآتَيْنَاهُ أ ย ه ْ ل َ ه ُ و َ م ِ ث ْ ل َ ه ิสْ مَعَهُمْ رحمة มินอินดินาว ل ِ ل ร ع َ ا ب ِ د บ ي ดี ف َ ت َ ج َจับนาล่ะَูฟัَชَฟนามาบิฮَม ه ِ ه ِรีวะเตยนาหูอัลละห์วามิَล่าหุ و َ م ِ ث ْ ل َ ه ُ مة มินอิِดินาวะฎิคราลิละบَ ا ินอัลฮัม ل ุลิลลา อ่านแล้วอิมานเพิ่มเพิ่มยังไงอดูคำแปลฟัสตาบนาเลหูฟาไปว่าดังนั้นอิสตาบนาเราได้ตอบรับเ น, นีียอลัลลอฮ์เล่านะดุอาที่นบีอายุบขออลัลลอฮ์รับหรือไม่รับคำตอบก็คือรับอัลลอฮอักบตรยิ่งใหญ่มากครับ นี่น บ, บีอายุรู้หรือเปล่าถ้ารู้คงดีใจนะอัลลอฮ์ลลรับดวงอาชแล้วเห็นไหมเราเนี่ยที่ขอดวอานี่นะหวังให้อัลลอฮ์รับอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์รับนี่ทำยังดีเลยทตนี้ขอดวอาอย่างไงที่อัลลอฮ์รับอัลลอฮ์น บ, บีวางเงื่อนขไขเอาไว้ดีนะหนึ่งอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ที่กินอยู่ที่บริโภคอยู่นั้นต้องได้มาจากเงินที่ ฮาลาลที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองใจอย่าลอยการขออูอาที่อัลลอ์รับเนี่ยหนึ่งใจต้องไม่ลอยเสื้อผ้าอาหารนะครับเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้เนี่ยต้องได้มาจากของเงินที่ฮาลาลเท่านั้นแล้วใจก็ต้องสะอาดอัลลอห์อักบัด ยิงตัวเองแข่งคัดอยู่ในหลักการของศาสนายิ่งง่าวยายเลยลัหมดูลิละ่ะทีนี้การรับดูอาเนี่ยสังเกตนะคนที่ขอดูอาและอลัลลอ์รับเนี่ยมันอะไรเช่นยกยกตัวอย่างง่ายๆคนที่อลัลลอ์รับรับดวอาหัวใจของเขาจะมั่นคงกับอัลลอฮ์เสมออัลลอฮ์ อ, อักบาดยิ่งใหญ่มากครับนะ s t a ต a b บ n a ล a h u ดังนั้นเราได้ตอบรับดุอาของเขาพอตอบรับเพศเป็นไงครับฟากาชฟนาบิฮิมินดุรินและเราได้กาชาฟ้าแปลว่าปลดบทเปลืองเราได้ขจัดเราได้ให้หมดเราได้ขจัดเราได้ปลดเปลืองเราได้ขจัดออกไป ฝากกชับนบานะบ่ า, าม า, ามบาิฮีที่อยู่กับนบีอายุบนะอะไรบ้างมินดุรินความทุกข์ยากความลําบากหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์ได้ขจัดเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่กับนบีอายุบออกจากนบีอายุบไปเลยอัลฮัมดุลิลละคนที่ขอดวอาอัลลอฮ์รับหนาะสังเกตเราจะดีกว่าเก่า อย่างคนป่วยงัก็จะหายป่วยทีนี้การหายป่วยของนบีอายุบเนี่ยทํายังไง <c oughs> ในตัฟซิดอธิบายบอกว่าหลังจากขอดุอาอัลลอฮ์รับดุอาอัลลอฮ์สั่งให้นบีอายุบเนี่ยไปอาบน้ํานี่วิธีวิธีวิธีรักษาให้ไปอาบน้ําอัลลอฮ์ให้ตาน้ำเนี่ยพุดขึ้นมาให้ไปกิน ให้ไปดื่มแล้วเอาน้ํานั้นมาอาบอัลลอฮฺว่ากูว่พออาบน้ําปับ๊บดื่มน้ําปับ๊บหายอ่ะเนื้อหนังที่เต็มไปด้วยอะไรนะ่ะเต็มไปด้วยอลละไ ร, ะไรเป็นโรคและโรคเรื้อนวันที่ก็มีนอนออกมาอีกเป็ลมมันมันมันหนักมากเลยนะ่ะพอกินน้ําดื่มน้ำํำที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยหายหมดเลย อัลลอฮอักบตและต่อมาครับพอโรคหายวะอาไตนาหูอะลาหูอาไตนาหูแล้วเราได้ให้อีกหายแล้วยังไม่พอยังเพิ่มให้อีกให้อะไรครับอะละหูอะละหูในระวะลูกก็ได้พวกพ้อมก็ได้ แต่ต้องการจะอธิบายว่านาบีอายุตอนไม่สบายเนี่ยลูกของของเขาตับซีตอิมมูกซีอธิบายว่ามีลูกสาวเจ็ดคนและมีลูกชายอีกเจ็ดคนตายหมดเลยวันอัลลอฮ์ให้ให้หายจากการเจ็บไข้ใดป่วยอัลลอะ์ก็ให้ลูกมาอีกมันจะให้แป๊บๆได้นะต้องอยู่ไปอีกหลายปี ได้ลูกผู้หญิงกลับมาอีเจ็ดคนได้ลูกผู้ชายกลับมาอีเจ็ดคนอุลมะบางคนล้ว่าได้หลานมาอีกได้ลูกได้หลานต่อมาอีกอัลลอฮ์เอาได้ลูกได้หลานกี่คนหัวมิสลาหุมมาอาหุมอัลลอฮ์อักบัดและเยี่ยงพวกเขาอีกพร้อมกับพวกเขาหมายความว่า นอกจากลูกที่ตายไปแล้วนะแพะแกะวัวควายที่เขาเลี้ยงอยู่ใส่หมาก่นป่วยนี่นะมีที่ดินมีคนใช้มีอะไรายทายเต็มไปหมดอัลลอฮ์ให้กันนบีอายุเยอะมีาธาตด้วยมีที่อยู่อาศัยด้วยมีที่ดินด้วยแบบเรานี้ยแลหละมีนู่นมีนี่เยอะอัลลอฮ์ให้เก็บเรียบหมดเลยเหลือภรรยาคนเดียวนอกนั่นนี้หมดเลยพวกรนี้เพื่อนคนนี้ ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หมดแพะแกะวัวควายที่เลี้ยงไว้ตายหมดที่ดุงที่ดินหมดวามิสลหุมมาอาหุมและเยี่ยงที่เขาเคยมีอัลลอฮ์ก็ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์อักบบตเห็นยังครับเมื่อร่างกายหายป่วยได้ลูกกลับมาได้ทรัพย์สมบัติเงินทองทาต ของชาที่สกีนอกร่านอกใจนอกนอกาที่ที่หมดไปแล้วให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมอัลลอฮฺอุบัตนี่ผู้ราอ่านกลัวอ่านตรงนี้ต้องนึกอัลลอฮฺอัลบาลาเป็นอย่างนี้ไหมเราบางคนอาจจะเหมือนเหมือนแบบนี้กว่ามีเคยหมดเนื้อหมดตัวพอกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีอัลลอฮฺให้กลับมาแล้วหันอันูุนมาหันอาจจะดีกว่าเก่าก็ได้ทีนี้อ่านต่อไป รหกมาจากมินอัยดีนาที่ได้มากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะอะไรรหกมาจากเป็นความเมตตาอย่านึกเป็นอย่างอื่นนึกว่าโตจะเกียรให้นึกว่าอาจารย์ที่เสียชีวิตตอเนี้พอคูณนั่นคือพ่อคูณให้ไม่ใช่รหกมาจากมินอินดีนาะนี่เป็นความเมตตามาจากใครนะ มาจากเราไม่ใช่พอคูณไม่ใช่พอคูณก็ตาให้ไม่เห็นเนี่ยโตตะเกียให้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่าราะมะจัมมินาที่ได้ลูกกลับมาได้แพะกลับมาได้วัวกลับมาได้ที่ดินกลับมาได้ธาตกลับมาเหมือนเก่านี่นะนี่เป็นความเมตตามินอินดดนาจากใครจากเรา เห็นยังครับนี่พออ่านอ่านกูอานอนุญาตนี่ إ ي م านเพิ่มเต็มเลยโอโลอักบัตทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ให้กลับมืออีกครั้งหนึ่งเป็นราะมะเป็นความเมตตาครับนี่ไงที่เราขอดยอัสลามุอะลัยกุมวบาระห์มัตุลลอฮ์ขอความสันติจงประสบแด่ท่านและความเมตตาจากอัลลอฮ์นีน่เมตาก็หมายถึงราะมะต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มานี่แหละแต่ต่อมาข้อข้อที่2ข้อที่หนึ่งเป็นราะมะ ข้อที่สองวะดวิครลิลาบิดีนและเป็นข้อตักเตือนอัลอัาบัตวิครเป็นข้อตักเตือนสำหรับใครครับอาบิดผู้ที่พักดีที่แสดงตนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ทั้งหลายพวกเราได้ความรู้เยอะเลยจากอาญา น, นี้ฉะนั้นเราจึงไม่เลองอ่ง เราจึงไม่เสียผู้เสียคนเราจึงไม่เหลิงเราจึงไม่ตะกลับบุตเราจึงไม่เยอ่อหยิ่งจองหองยิ่งมีรีสกีกลับมาเนี่ยยิ่งจ่ายสกาดเพิ่มขึ้นแค่นั้นไม่ได้จะขอนะขอให้รวยอย่าขออย่างนี้อัลลอฮ์จะขอให้รวยหน่อยยา yeah. ใช้ภาษาใหม่อัลลอฮ์จะอยากจะจ่ายสกาดเพิ่มทํำยังไงอัลลอฮ์นี่แหละมีกีข่ขอให้รวยแหละขอให้รวยแบบคนอื่นฟังเนี่ยได้บทเรียนเลย เวลาเขาขอขอให้มีรีสกีเพิ่มขออย่างนี้โอ้อัลลอฮฺจะชันอยาใจจ่ายอ า, ากาศเพิ่มมากกว่าปีก่อนๆนั้นปีก่อนค่าใชา้จ่ายปีจะจ่ากาศปีลล้านปีนี้ขอเท่าไหร่ดีสองล้านโอ้โหตรงเหนืออีกเท่าตัวหารีสกีนะนี่วิธีขออาจจะนั้นเวลาอาลัลลอฮฺให้ลูกมาให้ทรัพย์สมบัติมาให้ที่ดินมาให้อาพาร์ตเมนต์มา ใช่ไหมต้องนึกรอมาตามมิ่อินดิลลานี่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์นะอันที่สองวะดิกรลิลาบิดีนแล้วก็นี่เป็นอะไรนะเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่อาบิดคนที่แสดงตนเป็นบ่าวทดีของอัลลอฮ์ทั้งลายขันตัญญาณนี้เตือนคนมุมินคนอ่านกุรุอ่านทุกคนบอกว่าริสุกีที่มาจากอัลลอฮ์นั้นเป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุด ท่า น, นาบีอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักเล่าประวัติของท่านให้นบีมุฮัมมัดเล่าประวัติของนบียูนุสให้อุมมะของนบีฟังเรื่องอะไรทําให้เราเนึกถึงเนี่ยมรดของอัลลอฮ์และเจ็บไข้เด็ป่วยอ่ทอแท้เวลาปว่วยนี่อย่าท้อแท้อย่ากระโดดตึกตายกระผมไปพ่าตาดัวใจเนี่ยฉั้นไหนไม่ทราบพอกระโดดได้สักพักหนึ่งตายไม่คําว่าแจ้งว่า มีคนก็ดึกดตกดกตึกตายแล้วทำไมล่ะคงจะป่วยโรคหัวใจมานานเนี่ยรักษาไม่หายกระโดดตึกตายอย่าทำอย่าทำให้ขอดุวต่ออัลลอ์ไปอย่าอัลลอ์อันนีมัสซานยะดุรวอันตะอารฮมรอฮีมีต้องขอแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้หายก็ป่วยไปไม่มีปัญหาระหว่างที่ป่วยนั่นความความความช่วรลดไหมลดนามาขาดไหมต้องไม่ขาด ใช่ไหมต้องทําความดีสม่ําเสมอยืนไม่ได้ให้นั่งนาฏนั่งไม่ได้ให้นอนนาฏแต่ยาขาดนะครับอามันคือซอและต้องทําแบบสม่ําเสมออัลฮัมดุลิลลาฮ์ทีนี้ท่านอับดุลลาอินออาบบัสเป็นซาฮาบะ ท, ท่านนบีอธิบายว่าตอนที่นบีอายุมอาบน้ําอาบท่ากินน้ําที่อัลลอฮ์ให้มาผ่านดินเนี่ยนะ พอ ก, กินแล้วร่างกายมันหายเนี่ยพอหายเสร็จแล้วก็ภรรยาก็มานะ่มาเยี่ยมมีอยู่คนเดียวนะภรรยาคนเดียวที่ยังรักสามีอยู่ทั้งทั้งที่สามีในแย่แล้วนะนะมาเยี่ยมครั้งสุดท้ายอา้าวหาสามีไม่เจอหาสามีไม่เจอก็ร้องไห้ก็เสียใจแล้วก็มีอยู่คนนึงนั่งอยู่ห่างๆเห็นผู้ชายนั่งอยู่แต่งตัวสวยมากเลย กระตังว่าท่านคุณเห็นอายุผู้ชายมีอยู่คนนอนป่วยอยู่ตรงนี้หายไปไหนอ่ะอายุว่าชั้นเนี่ยไม่ใช่อยังมาโกหกมาพูดล้อเล่นอยู่ได้ทานจริงๆนะผู้ชายคนนี้หายไปไหนหรือว่าพวกอะไรสัตว์ไล่พาไปฆ่าไปกินหรือเปล่าพูดสนองเนี่ยนะอายุว่าชั้นเนี่ยอย่ามาพูดเล่นกับชั้นนะสังเกตดูให้ดี ฉันนี่เป็นอายุบนะสามีเธอนะเข้าไปมองดูเออใช่เฮ้ยรอ ก, ก็เกาอีกอ All ัลลอฮ์อักบารเห็นอย่างรครับพี่น้องแล้วก็เสื้อเนี่ยที่นบีอายุบใส่เนี่ยอิบก็ที่อธิบายดีนะอัลลอฮ์เอาส่งมาจากสวรรค์มามอบมให้พอใส่ปั๊บเนี่ยรอ ก, กว่าเกาอีกหนุ่มกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเอาเอาพรเนี่ยอัลลอฮ์อักบารนั่นพี่น้องแล้วจะใส่เสื้อผ้าต้องอ่นดูอานะ เราต้องอ่านดูอานคะรับใส่เสื้อผ้าต้องอ่านดูอา่าจะเป็นชุดเก่าชุดใหม่ต้องอ่านดูอา่าถ้าเป็นชุดใหม่ก็มีดูอาสอนอ่านดูอ่าก่อนยืนสองกระจกก็ต้องอ่านดูอา่าอัลลอฮุมะกามาฮัสซันตะคอลกีนี่สองกระจกฟาฮัสซินคูลูกีแต่ว่าโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำให้รูปร่างของฉันเนี่ยสวยฉะนั้นให้มารยาทของฉันสวยเหมือนหน้าตาของฉันด้วยทำโดย ล, ละเอียดครับนี่ภรายาจําไม่ได้นะ่ะ พอจําได้เราดีใจแล้วแข็งแรงมากกว่าเก่าอีกจึงมือลูกได้อีกสิบเจดคนสิบห้าคนสิบหกคนได้หลานออกมาเต็มไปหมดอลัลฮัมดุลิลลาะอัลลอฮฺหุบบัดยิ่งใหญ่เหลือเกินนะอลัลฮัมดุลิลลาะอ่ทีนี้ภรรยาของท่านน่ะชื่อรายชื่อลายยาดุลียนะเป็นหลานของนบียูซุฟอะลัยฮิสาลามนะอลัลฮัมดุลิลลาะเนี่ย การเป็นภรรยาที่ดีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺอยากให้มุสลิม่าทั้งหลายเป็นภรรยาเรานะี่นะให้ดูตัวอย่างภรรยาของนบีอยาลัยฮิสสลามขนาดสามีเจ็บหนักไม่ทิ้งอยู่ ร, รักษาดูแลต่อไปให้กำลังใจต่อไปเสร็จแล้วอัลลอให้กลับคืนมาหมดเลยลฮัมดุลิลลาห์ลกบอาต่อมาครับข้อสรุป ข้อสรุปจากนบีอายุปข้อที่หนึ่งมีทั้งหมดสีประเด็นนะเรื่องนบีอายุปนี่สรุปนะนบีอายุปเป็นบทเรียนที่ดีแก่ผู้ศรัทธาอาลุลอีมานคนที่เป็นผู้ศรัทธานะต้องได้ข้อคิดจากนบีอายุปประวัติของนบีอายุปนะครับข้อที่หนึ่งก็คือนบีอายุปเป็นคนที่ซอบบรุนอะไรอดทน แล้วก็รีดอคนที่พึงพอใจต่อการทดสอบของอัลลอฮ์พอใจด้วยแล้วก็อดทนด้วยมีสองอย่างนะรีดอดกลับอะไรนะสอบิกอดทนแล้วก็พึงพอใจด้วยเหตุนี้หลังจะเจ็บไข้ใดป่วยนะครับอัลลอฮ์ชมในะกะพีคุรานอีกอายัดหนึ่งนะอินนาวะจัดนาฮูซอดเบิด นีมาลอับดุอินหูอวอัลลอฮ์ชมน บ, บีอายุมสามรายการนั้นอายะอื่นนะหนึ่งเป็นคนอดทนสูงสองเป็นเบาที่ดีเนี่ยมาลอับดุเนีมลอับดุเป็นเบาที่ดีหนึ่งอดทนว่าเป็นคนสบัิอัลลอฮ์เป็นคนใจอดทนสูงอดกลั่นอดทนสูงมากข้อที่สอง เป็นบ่าวที่ดีข้อที่สามกลับตัวสู่อัลลอฮ์กลับตัวสู่อัลลอฮ์ Allah, เขาเรียกว่าตาวาบนะ่ะหรือว่าเตาบ่าเนานะเอาวาบเหมือนกันเอาวาบตาวาบเหมือนกันฉะนั้นเราต้องเอาสิางนี้มาใช่หนึ่งอดทนสองเป็นบาปที่ดีของอัลลอฮ์อย่าทําบาปแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์เสมอฉะนั้นเดือนชาบานมานะต้องนึกฉันวางแผนจะต้องกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์นะครับ ทำจากของดีๆทำผิดต้องต่อบาตัวสารภาพผิดต่อ a l l ข้อที่สองต้องการจะอธิบายนะข้อคิดจากจากอายุนะเวลาลำบากเวลามีทุกข์เวลาเดือดร้อนเวลาไม่สบายเวลาเครียดเวลาป่วยหันหน้าพึ่ง a l l นะครับแต่ต้องการจะอธิบายว่าตอนสุขภาพดีๆนะ ตอนสุขภาพแข็งแรงนะ่ะให้อยู่กับอัลลอฮ์เยอะๆเวลาเราไม่สบายปั๊บอัลลอฮ์จะดูแลเราไม่ให้เราเสียคนอัลลอฮ์ทำดูแลพี่น้องแต่นั้นตอนมีเงินเยอะๆอย่าลืมจ่าย zakat าาตอนมีเงินเยอะๆยังแข็งแรงมาทมําอามาลทิซซอแล้วมาเดินมานมาัสยิดอ่านกุรานซะปลุกลูกปกลุกหลานคือมานทางน้ำมงนมาดเหนื่อยเยี่ยมญาติพี่น้องหาพ่อหาแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยตอนเราแข็งแรงดี เวลาเราไม่สบายมานามาที่สุเราไม่ได้ผลละบุญเหมือนกับนามาในมัสยิดท่านหามาที่บ้านเห็นไหมตอนสุขภาพดีนี่เป็นต้องทําดีเวลาเราไม่สบายอัลลอฮฺออกจากบ้านก็ไม่ไหวทาอะไรก็ไม่ไหวผลลบุญเท่ากับเราทําความดีในช่วงเราสมบูรณ์ตอนไม่สบายอาลัลลอฮฺให้รางวัลครบบริบูรณ์เลยทั้งโดลเลื่องข้อที่สาม การรักษาเวลาป่วยต้องรักษาความจริงอัลลอฮ์เนี่ยจะให้นบะียูนุษหายโดยไม่ต้องอาบน้ำกินน้ำได้ไหมได้แต่ทําไมสั่งให้กินน้ำให้อาบน้ำเพื่อต้องการจะสอนพวกเราวันนี้เหมือนกันว่าเวลาป่วยต้องไปหาหมอรักษาต้องรักษากับเป็นอับบาบเป็นอับบาบเป็นสาเหต่อัลลอฮ์ฉะนั้นการรักษาของเรามีหลายแบบหนึ่งขอดูอ่ สองกินยาสามนวดแผนโบราณมีเยอะแยะไปหมดใช่ไหมนะครก็สี่ก็มีการยาทรงารักษาฝังเข็มบังอะไรบ้างก็ทำไงไปนะนี่วิธีรักษาของอัลลอฮอัลลอฮให้มาหลายอย่างอัลฮัมดุลิลละข้อที่สมเนี่ยวิธีรักษาต้องกินยาทีนี้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงพยายามดื่มน้ำผึ้งวันละช้อนพอพอมันแพง ช้อนเดียวพอแล้วกับปนกับน้ําเอาน้ําอุ่นๆนะแล้วก็ขับบัตูซาวด้าเนี่ยพยายามรักษากินวันละเม็ดสองเม็ดนี่รักษาสุขภาพต่ำบนเลยนะเช่ยงกล้วยเนี่ยทานเยอะๆเห็นไหมไอ้ไอ้เหล้าอย่าไปกินบุรียาสูบมันทําลายสุขภาพอย่างนั้นแหละพนันเอาอาหารที่ท่านนาบีชอบเนี่ยน้ําผึ้งแล้วก็ไรนะ่าอินเดฟลามัมแล้วก็ายนะขับบัตูซาวด้า ส4รายการเนี่ยเอาไว้ที่บ้านตัวเองกินอย่ากินเยอะ2เม็ดเม็ดหนึ่งฮัมดลิลลาสามเม็ดเลขข็กขี้ดีๆที่สุดอย่างนี้นะครับน้ำผึ้งนะแล้วก็อะไรนะเอ่อฮับบัตุซาโดาแล้วก็อินทปาลามพยายามเก็บเอาไว้ที่บ้านของเรานะข้อที่สนะครับภรรยาที่รักทั้งหลายให้ดูตัวอย่างภรรยาของนบีอายุชื่อลียนะ เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าสามีจะจนนางก็อดทนอยู่กับสามีดูแลสามีอัลลอฮฺอักบาดได้ผลแะบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ไหมนบีมุ hammad สอนอย่างงี้คอยรู้กุม้มคอยรู้กุ้มลีอาลี่ฮีวาอ่านนะคอยรู้กุ้มลีอาลีท่านทั้งหลายจงทําดีกับภรรยาของท่านนี่สั่งสวบ ท, ทุกคนคนที่เป็นสวบนบีนบีสั่งนะพวกท่านต้องทําดีกับภรรยาของท่านนะนี่ทําดีท่านอย่างงี้ ต้องทําทุกวันนะเวลาเห็นหน้าภรรยาต้องอะไรก่อนนะยิ้มก่อนแล้วก็อัสสลามาะลยกลุ่มแล้วก็พูดจ้าเพราะเพราะที่รักจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์เอาสามเรื่องนี้ก่อนอะไรก่อนนะยิ้มแล้วก็สลามแล้วก็พูดจ้าเพราะเพราะทั้งภรรยาโดยก็เห็นหน้าสามียิ้มก่อน แล้วก็อัสลามวะไลกุมทีรักจ dear. ๋าไมเดียตว่ากันไปอย่าพูดมึงกูขอร้องพูดไหมพี่อทีรักจ๋าอ๋ลลอรอพูดพร่อๆสิลูกมันเห็นนะอ๋ลลอรอยอเราไปเรียกพารีเรียกมาเราที่ดชั้นหนึ่งเลยนะ่ะเรียกทีรักจ๋าอ๋ลลอรอมันชื่นใจมีบางคนเขาเล่านะทําไมเรียกธีรักจ๋าทวันแล้วกูลืมชื่อมันไปแล้ว อัสลามุลล่าอันนี้เขาเล่ากันนะเขาเล่ากันเอาต่อมาอายะที่แปหว่อิสมาอิลและอิดริสและซาลกิฟลุลล์มินัลซับิรินว่อิสมาอิละอิดรสะซลกิฟ กุลุมในัซ <gibt> บิร um ิน <spr> อ <ay Ancient rape> ัลลอฮุอัยบดุนี่ชื่อนบีนะสามท่านอัลลอฮุอะลัยอะลห์เออยชื่อนบีสามท่านหลังจากเออยนบีอายุจบอิสมาอิลและอิดริสแะเซลคิฟลกุลุมมในัลซับิรินพี่น้องถ้ารู้ความหมายอัลลออะัยบดุ นบีอิสมาอินสองนบีอิดร ي ส, สามซุลกิฟก ล, ลิุลุนทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมานี้เป็นไงครับมีนสอสบิรินอยู่ในหมู่ผู้ที่อดทนอัลลอฮ์นี่อัลอลอฮ์ชมเลยแสดงว่าทดสอบผ่านหมดทดสอบอะไรผ่านหมด ทดสอบอะไรผ่านหมดถึงอันรอดได้ชมว่าไงนะมีน็สสอตฟรบีดเป็นผู้ที่อดทนสูงมากเลยเอานึกประวัติศาสตร์นบีอิสมาอีนไม่ให้เป็นโรคอัลอัลซไเมอร์นึกนึกเออิสมาอินมีมีประวัติยังไงครับนึกถึงอิสมาอินเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมาลัยิสสาลามนะ ท, ทับซิดอธิบายดีนะพวกอ่านจะภาษาอุรดูนะ น บ, บีอิบราฮิมตอนได้อิสมาอินอายุ86น บ, บีอิบราฮิมอายุ86ได้ลูกชื่ออิสมาอีนกับภรรยาคนที่สองชื่อนางฮาร์ย์และต่อมาภรรยาคนแรกชื่อนางซารโรไม่มีลูกมาตลอดนอะ่ะแล้วต่อมามาได้อิสมาอีนเมื่ออิบราฮิมอายุได้100ปี โอ้ยหลังจากนาบีอิสมาอีนค่อยมาแลกกี่ปีนะ1ิบส1บสอปนะีแล้วก็มาได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่ออิสฮักอายุคุณพ่อเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเขาจะบอกแข็งแรงนะเอานึกถึงนบีอะไรนะั้นนบีนัวเท่าไหร่โัลเกายห้9 50ปีอายุยาขนาดูเลยนะทามุลิลลาเอา้าได้นบีอิสมาอินอิบราฮิมอายุเท่าไหร่ปได้นบีอิสฮัก พ่อได้อายุร้อยปีเอามันนึกถึงประวัติศาสตร์ขอในบียสมาอินฟารัมมาบ้านเรมาอาหุสัยะก็ละยาบุไนยะอินนีอาราฟิลมะนัมอินนีอัลบาฮุกฟันซุรมาดาตระาะลยาอับติฟะลมาตุอัมร์จะติดดนีอินชาอัลลอฮฺมินัลซับิริดนี่อายะอื่นอธิบายขั้นเมื่อในบียสมาอินโตขึ้น เดินร่วมไปกับพ่อเดินร่วมกับพ่อเดินไปกับพ่อสองคนนี่แหละอิบราฮีมพูดว่าลูกจา๋าอารอเห็นไหมเรียกลูกนะเรียกลูกจา๋าลูกกับพ่อเนี่ยต้องคุยกันเพราะลูกจา๋ายาบูไนยะแปลว่าลูกจ๋าเลยนะแท้จริงพ่อเนี่ยได้เห็นในฝันอย่าลืมว่าความฝันของนบีเป็นวาฮีอ่า นี่เล่าเลยเหมือนกับสอนให้เราฝันเราเนี่ยต้องหาสามนะฝันของนบีเนี่ยไต้องหาเลยมาจากอัลลอ์ทั้งหมดเป็นวหฮีเลยใช่ไหมฝันว่าไงนะอินนีอัลบาฮกะฉันเชื่อดพ่อเชื่อลูกเป็นกุรบานนะครับแล้วก็ฟันจุนมาจาตรอลูกจงคิดดูลูกเห็นเป็นยังไงพ่อฝันว่าเชื่อลูกนะลูกคิดดู ลู ก, กตอบเลยยาอบติพ่อจ๋าอิฟอัลมาตุมัดจงปฏิบัติตามที่ถูกบัญชาให้ไหมมาตุมัดนี่นบีอิสมาอินพูดนะเหมือนกับรู้ว่าฝันนั้นเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั่นยังมไม่จะเรียนจบรางคําแพงนะไม่จะเรียนนะนะแต่เหมือนอัลลอฮ์ให้ความรู้เลยนะที่พ่อฝันนั้นพ่อทําตามที่อัลลอฮ์สั่งให้ไหมแสดงว่าความฝันของนบีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยเป็นไวด์ทั้งหมดครับ ซาตาจีดูนีอา่าอัลลอฮ์จะทรงประสงค์นะครับฉันจะอยู่ในหมู่ผู้อดทนเห้ยไหมใน บ, บีอิสมาอินพู้กับพ่อพ่อทําเลยเชื่อฉันเลยอัลลอฮ์จะได้เห็นฉันเป็นคนที่อดทนเห้ยไหมเนี่ยการทดสอบครั้งนั้นแหละอัลลอฮ์ได้ชมในอิสลามาไงนะักกุลลุมมินอสอบิรินใน บ, บีอิสมาอินเป็นคนที่อดทนที่สุดพ่อฝันว่าเชื่อดพ่อ ทำเลยเชื่อเลยโอ้โหตอนไม่เล่าอ่ะไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังเล่าไม่ได้พี่น้องนี่ไงความรักยิ่งรักต้องเสียสละจะนั้นการเสียสละในคุณธมของอัลลอเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพี่น้องอต่อมาครับสแสดงว่านาบีอิบรอฮีมเป็นลูกชายของนบี <c oughs> มีท่านนาบีมีลูกนะครับมีลูกชื่ออิสมาอีนนะครับ ได้ให้ลูกทำกุรบาลเสียสละทั้งสองคนยอมรับทั้งร่างกายและจิตใจที่ภาษาอุดุอธิบายดีนะยอมรับทั้งหัวใจและร่างกายมอบกว้กับอับลลอฮฺ سبحانه แะุรต้าลาเอาต่อมาครับ <c oughs> นบีอิสมาอนเนี่ยเป็นคนแรกที่พูดภาษาอาหรับได้ชัดถ้อยชัดคำอ่านี่ประวัติจะตัฟฟิตหลายๆเล่มนะนบีอิบรานบีอิสมาอินเป็นคนที่พูดภาษาอาหรับ เป็นเด็กที่เรียนภาษาอาหรับและพูดภาษาอาหรับได้ชัดถ้อยชัดคาเรื่องที่สองอิสมาอีนเนี่ยเป็นคนที่ขี่มากเป็นคนแรกเหมือนกันขี่ม้านะฉะนั้านนาบีมันจะนอนอยู่บนบ้านนาบีต้องออกข้างนอกเห็นไหมหนึ่งเรียนหนังสือรู้พูดภาษาอาหรับเรียนอยู่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับในโลก อ, อ, า, อ า, นะาหรับอยู่ใซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะเรียนเรียนภาษาอาหรับข้อที่สองขี่มาก ผมชอบอ่านภาษาอุรดูภาษาอุรดูเป็นไงนะเปเลอิสมาอินเนกเรเซสวารีกีกที่แปลว่ามาชอบขี่มา Akbar. อัลลอฮฺอักบัดเอาต่อมาครับท่านอิสมาอินเรียนภาษาอาหรับจากอาหรับจากคนอาหรับที่ตั้งอาศัยอยู่ในนครมักกะก่อนที่อิบราฮีมจะเอาลูกชายกับภรรยานี่ไปไว้ที่นครมักกะนะครับมีอยู่สามกลุ่ม 1. นึ่งยู 2. ุมสองเมืองอชาวเยเมนสมพวกอามาลิกสากลุ่มนี้อาศัยอยู่นครมักกาอยู่แล้วแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลาบ้า น, น, นไปอยู่แถวอื่นเนี่ยอิสมาอิลก็เรียนภาษาดับกับคนกลุ่มนี้นะครับทีนี้มันมีเรื่องนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าท่านอดทนสูงมากเนี่ยวันที่นบีอิบราฮีมมาเยี่ยมอิสมาอิลแล้วเจอไหมไม่พบพบใคร พบลูกสะพยพบลูกสะพยนบีฮิมก็ถามว่าไอนาเาวอยูกีสามีเธอไปไหนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ลูกสะพัยเนี่ยไม่รู้จักกับอิบรอฮิมก็คือใครนางตอบว่ายาสตอดไปหาอาหารหรือว่าไปล่าสัตว์ไปหาอาหารนั่นแหละแล้วก็นบีฮิมถามถามลูกสะพยว่าใกล้ฟะฮ่าลูกลุ่มพวกคุณเป็นยังไงสบายดีหรือ นางต่อบว่าไงรู้ไหมฟีบูอูสินฉันมีชีวิตอยู่อย่างลําบากว่ฟีฟักรลินฉันอยู่อย่างคนยากจนว่ฟีมัสแกนตินฉันอยู่อย่างคนตามชาว่ฟีบองแกตินบองกินและฉันใช้ชีวิตอยู่อย่างขับแคบเป็นลูกสะพายของท่านนาบีอิบรอฮีมเป็นภรรยาของอิสมาอินเวลาพ่อถามว่า ชีวิตการเป็นอยู่ยังไงตำหนิครอบครัวตัวเองตาหนิเหมือนตำหนิใครนะตำหนิอัลลอด้วยบ้านอยู่ติด ก, กะก้าบ้าน <laughs> นี่ตตำหนิสามีว่าลำบากยากจนไม่มีเกียรติไร้ค่าอัลลอฮฺอักบัดไม่ได้กลา่าวคำว่าอัลฮัมยูลิลาสักคำหนึ่งในชีวิตมีอิบราฮิมบอกว่า <laughs> อิซาจาอาเจอยุกิเมื่อสามี <laughs> คุณกลับมานะ ฟักรออีิแล้วก็อ่านฝากสลามของฉันไปให้เขาด้วยวากูลีและหูแล้วก็ให้ให้เธอเนี่ยเล่าให้สามีฟังบอกว่าอยู่ก้อยอัชบัตลบบให้เปลี่ยนธรณีประตูอิบราฮิมสั่งนะนพีเพืสั่งสั่งลูกสะั้ยว่าเมื่ออิสมารินกลับมาบอกฉันสั่งให้เปลี่ยนธรณีประตูพอตอนเย็นครับเมอิสมาอินกลับมาจากจากไปหาอาหารมา อิสมาอินถามวัาวห์ฮัลอาตากุมมินอาฮัดินวันี้มีใครมาที่บ้านเรามไหมพญาตอบว่ามีคนแ ก, แก่คนหนึ่งแล้วก็ถือไม้เท้ามาด้วยอ๋อลแล้วก็เขาถามถามท่านฉันก็บอกเรื่องจริงๆของครอบครัวเราแล้วก็ฝากสลามถึงท่านด้วยและเขาสั่งว่าให้เปลี่ยนธรณีประตูอิสมาอินบอกว่าฮาจาวาลีดีนี่เป็นพ่อของฉันนะ ว่าอินติและเธอเนี่ยเป็นธรณีประตูฉะนั้นเขาสั่งให้ฉันเลิกกับเธอเธอกลับไปอยู่บ้านได้นี่ข้อสรุปอัลลอฮเป็นสามีภรรยากันและสั่งให้เลิกเนี่ยต้องอดทนสูงใช่ไหมสายสายเหตุที่ดบเบิบรอฮิมสั่งให้เลิกกับสามีตัวเองให้กลับไปอยู่บ้านเพราะไม่ได้ชมอัลลอฮสักคำหนึ่งอัลฮามดุลิลลาห์ไม่ได้ออกมาจากปากเลย กันต้องต้องนึกนาภรยาต้องนึกนาวันนี้อย่ามองแต่วัตุวัตุวัตุวัตุอย่างเดียวนะสามีนำนามาสามีทำให้ความดีจะเยอะแยะไม่ได้ถึงสามีเลยไม่ได้ถึงอัลลอ์บ้างเลยเอาต่อมานาบีอิสมาอีแต่งงานคนที่สองพอแต่งคนที่สองปั๊บเป็นไงครับนบีอิบรอฮี ม, มาเยี่ยมอีกไม่พบนบีอิสมาอีเหมือนภรายาคนแรกภรายาคนที่สองนี้ พอพอเคาะประตูก็เปิดเปิดประตูมาเอารออักบัดนางคนนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อไซยิดะชื่อไซยิดะนะบินตีมาบอดมาบอดพ่อชื่อนายมาบอดเอาไหนไม่ต้องต้องไปจําก็ได้นะเอาละเสร็จแล้วก็ภรรยาคนที่สองเนี่ยเมื่อเมื่อนบีอิบรอฮิมมาเยี่ยมนะไม่พบอิสมาอินและสั่งอิสมาอินเนี่ย รักษาประตูสั่งภรรยารักษาประตูนี่ให้ดีมาไม่พบอิสมาอินถามแล้วไปไปทําไปอะไรไปออกไปหาอาหารไปหาดิสกีไปล่าสัตว์เดี๋ยวอิสมาอินกลับมาตอนเย็นนะฝ่าสลามถึงด้วยให้รักษาธรณีประตูนี่ให้ดีนี่ภรรยาคนที่สองสาเหตุก็เพราะว่านางเป็นผู้หญิงที่สอนเลยครับเป็นหญิงที่ดีเพรา ะ, ะไดตอนที่น บ, บีอิบราฮิมถามมาว่าคุณเป็นยังไงคํา ต, ตอบตอบงี้ครับ نحن อยู ah Allah, ่ในอนดบที่ด <Ma an. S 1> si ีขอบคุณอรลเเราอยู่สบายว่อรกดิอาินชีวิตเป็นอยู่มีความสุขมากวซติลอัลล์ให้บารกัชีวิตกว้างขวางอัลฮัมดุลิลลาหลายหลายหลายประโยค์ที่ออกจากปากอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาหอัลฮัมดุลิลลาพ่อเลยสั่งบอกว่าเดี๋ยวอิสมาอมาตอนเย็นบอกว่าพ่อมาเยี่ยมนะ แล้วก็ให้ทสาวธรณีประตูให้ดีเพราะเป็นคนดีใช่ไหมพี่น้องนี่เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจเอาต่อมาเล่าอีกเล็กนึนงเ บ, บิอิสมัยเนี่ยมีภรยาในบันทึกว่ามีมีภรยาสองคนมีลูกทั้งหมดสิบสองคนเยอะนะคล้ายคล้ายชื่อมาด้วยชื่อนาบัตชื่อตีดารชื่ออัลบันชื่อมีชาชื่อมุซัมมะชื่อมาร์ชชื่อดูดูซ่า บาตูตอลลอ์ชื่อชื่อพวกเราไม่มีเลยนะชื่อสมัยก่อนหมดเลยครับนี่เป็นครอบครัวของนบีอิสมาอินเอาต่อมาครับต่อมาครับนางคาจัดเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ฝังไว้ที่มักการนั่นแหละตอนที่มะของนบีอิสมาอีนเสียชีวิตอายุเท่าไหร่รู้ไหมร้อยสามสิบเจ็ดปีอัลลอฮฺอัล อา ย, อยาุ137ปีแล้วก็เลี้ยงนบีอิสมาอีนมาอย่างดีอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละดีมากก็พี่น้องอาทีนี้ท่านอุมารบินอัตุลอาซีส เ, เ, เ, เ, เป็นเป็นเป็นคอลีฟ่าที่แข่งขัดคนหนึ่งได้รายงานว่านาบีอิสมาอนเนี่ยได้ฟ้องอัลลอฮ์ฟ้องว่าอัลลอฮ์ะจ๋าที่มะกาเนี่ยอากาศมันร้อนมากคือ สมัยก่อนแอไม่มีน่ะนะกระโรนเนี่นะกระฟ้องอัลลอฮ์แล้วต่อมาอัลลอฮ์ได้วะฮีกับกับมาบอกมาบอกกับอิสมาอินบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปไม่ว่าคุณจะตายอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าสวบของคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามพอแลนอนอยู่ในสุสานนั้นอัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์บานหนึ่งให้คุณเห็นขณะที่นอนอยู่ในกุโบแล้วก็จะให้ลมเย็นๆจากสวนสวรรค์พัดมาหาคุณ จนก่อนจะถึงวันเตี่ยมาพอก่อนตายเนย่ชีวิตลำบากหน่อยใช่ไมอากาศมันรน้อนฟ้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอนเล่าให้ฟังมาว่าพอคุณตายระรวบางที่นอนอยู่ในกูโบทำไงนะจะให้เห็นอะไรเห็นสวรรค์แล้วก็มีลมเย็นๆจากกระไดนะจากสวนสวรรค์พัดมาหาคุณอยู่ในกูโบอัลฮัมดุลิลลาาอยากได้ตรงนี้แหละ นอนยูนใ้กูโบนะแต่เห็นสวนสวรรค์แล้วก็มีลมเย็นๆจากอะไรนะจากสวนสวรรค์มาหาเราอยากได้ยาอัลลอ์ให้ประทานกับพวกเราทุกคนนะครับฮัมดุลิลลอัลลอ์นี่นบีอีกสองท่านนี่ยเวลาหมดปเอาต่อมาอินนิดนะครับนบีอิดริสอัลลอฮุอลกบต์เออ่านอานอ่านอ่านกุนอ่า น, า น, านก่อนนะครับวายิสมาอินและวายิเดริสจงจำลึกถึงเรื่องราวของนบีอิสมาอินนี่อัลลอ บอกกับนบีมุฮัมมัดให้นบีเล่าประวัติของนบีอิสมาอินให้อุมาของนบีฟังให้พวกเราฟังแล้วประวัติที่สองอิดเดรีสเล่าประวัติของนบีอิดเดริสให้พวกเราฟังอ้าวเล่านิดหนึ่งนะนบีอิดเดริสเป็นนบีที่อัลลอฮ์ชมในการพิจารณาอินนาหูกาลสิดดีกอนนบียันอัลลอฮ์ได้ให้นบีให้ให้นบีอิดเดริสเนี่ย เป็นคนที่ซื่อตรงนบีเป็นคนที่สิดดีซื่อตรงตึงตรงไปตรงมาอันที่สองนบียันเป็นนบีวะรฟะนาหูมาแกานันอาลียาและอัลลอฮ์ได้ยกให้นบีอิดเดริสนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สูงคำอธิบายเป็นอย่างนี้ครับนบีอิดเดริสเนี่ยตอนที่นบีมูฮัมมัดขึ้นเมียรอช ตอนขึ้นเมีอรอดนี่นะนบีไปพบนบีอิดเดริสอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่ทรายจําจได้ไหมชั้นที่สี่อัลฮัมดุลิลละอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่สี่เน้องเอ้ยอัลฮัมดุลิลละแต่าาภาษาอูดูว่าเจ้าท่าอัสมานในชั้นฟ้าชั้นที่สอัลฮัมดุลิลละแล้วนบีอิบรอฮิมนี่เป็นน้องครับอัลลอฮ์ส่งความรู้ ซึ่งเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ผ่านนาบีอิดิริสัห้ารายการรายการที่หนึ่งให้สอนผ่านอิบราฮิมให้ใช้ปากาเนี่ยกอลัมเพนนี่หลใช้ปากาทุกวันนี้อัลลอฮ์ท่งเรื่องความรู้เรื่องปากานี่ผ่านนาบีอิดริสเรื่องที่สองวิชาคานวณนักเรียนที่จะเรียนแพทย์เปิดมุสุสวาตต้องเรียนวิชาคนวณก่อนนะ ต้องรู้นะวิชาคำนวณนี้มาจากนาบีอะไรอิดเดรีสข้อที่3การช่างการตวงผ่านนบีอิดเดรีสข้อที่4 ส, สร้างอาวุธอา่าสร้างอาวุธเขาไม่ได้บอกอาจจะเป็นพวกมีดเมื่ออะไรบ้างนี่นะผ่านนบีอิดเดรีสแล้วก็วิธีการทอผ้าอัลฮัมดุลิลละผ่านนบีอิดรีส อ, อัลลอฮฺุสซาลา ตัวลงว่าความรู้ที่มนุษย์ชายอยู่ในปัจจุบันนี้นะไม่ใช่คิดเองนะอัลลอฮ์ให้ผ่านนาบีทั้งหมดเอาต่อมาครับนบีดาวูดศิละปะในการทําเสื้อกลอกอายาที่แล้วที่ผ่านมานาบีนัวอัลลอฮ์ให้นบีสร้างรสร้างเรือใช่ไหมเราที่สร้างเรืออี ป, ปงอีปแปดปัจจุบันนี้ได้จะกนบีนัวทั้งหมดนั่นแหละแล้วต่อมาก็บนบีสุไลามานสร้างอะไรแท่นทํามาจากไม้แล้วก็ให้ลมพัดแท่นเนี่ยพาไปไหนก็ได้ แล้วก็แท่นของเขานะใหญ่กว่าเครื่องบินในปัจจุบันนี้จุคนนั่งเท่าไหร่หกแสนคนอันนี้เท่าไหร่หกร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยใช่ไหมเครื่องบินเนี่ยที่ว่าอเมริกาสร้างหีืใครสร้างใหญ่ๆนะสู้อบียสุลลมานไม่ได้สุลลมานเท่าไหร่หกแสนคนนั่งเป็นเก้าอี้มุดเลยหกแสนคนแล้วก็มีนกบินอยู่ข้างบนเป็นการกั้นด้วยโอ้โหทุกบานยิ่งใหญ่พวกอังกฤษ ต้องการจะทำเรื่องอย่างนี้แบบเรียนสุไลมานแต่ทำไม่สำเร็จเพราะนาบีสุไลมานขอดูอาตัดอัลลอฮ์ไว้อย่าให้รัฐบาลในโลกนี้มีความสามารถเหมือนฉันอ่ะทำดูแลๆพี่น้องเอาต่อมาซุลกิฟลีอัลลอฮุอะลบาดอายาเ น, นี้ยาวนิดนึงนะพี่น้องนะเอาอ่านกรุรอาด อ, อีกเที่ยวนึงนะครับพี่น้องวะอิสมาอล่าวายดริส่วาซุลกิฟลี กุลลุมมิโนสฟิรินและจงดำเลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอินเรื่องราวของนบีอิด ريس และซุลกิฟลีแต่ละคนกุลลุมมิโนสฟิรินอยู่ในหมู่ผู้มีความอดทนหรือขันติธรรมนะครับทีนี้เรื่องของอิสมาอินเราดูแล้วเรื่องอิดร ي สเรารู้แลเรื่องซุลกิฟลี รุลกิฟลีเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเราฟังว่าอย่างเดียวไม่ต้องไปเยสไม่ต้องไปโ no. นฟังอย่างเดียวทีนี้ประวัติของซุลรุลกิฟลีเป็นเป็นอย่างนี้รุลกิฟลีเนี่ยก่อนหน้านาบีรุลกิฟลีนี่นะมีนบีอัลยาสะอ่าชื่ออะไรนะอัลยาสะเคยได้ยินใช่ไหมอัลยาสะ อัลยสซะอัลยะซะอัลยะซะ น, นี้เป็นนบีอัลลอฮ์ส่งมาส่งมาสอนคนนะพี่น้องนะทีนี้พอท่านอายุเยอะพออายุเยอะก็เป็นห่วงสังคมเห็นไ้มเป็นห่วงสังคมเป็นห่วงญาติพี่น้องกลัวจะไม่เอาศาสนาก็มองดูเอไม่มีตัวแทนเลยก็ขอขอเรียกประชุม ฉันอยากจะมีตัวแทนของฉันสักคนหนึ่งหลังจากฉันตายไปแล้วจะได้รับผิดชอบดูแลสังคมแต่คนที่จะเป็นตัวแทนฉันต้องมีเครื่องหมายสามอย่างเครื่องหมายที่หนึ่งต้องถือสินอดในเวลากลางวันเ ย, ยอะๆหนักอีแล้ว <c oughs> อล๋องาศาสนาแต่ละอย่างแต่ลอย่างนี้ไม่เบาในไะปน้องเอา้าต้องถือสินอดเยอะ ข้อที่สองต้องลุกขึ้นนามาิยามุลยัยทหัรยุดเยอะๆสองข้อนี่เราก็แย่ใช่ไหม <c oughs> คนทำมีไม่มีเรื่องที่สามห้ามกโกรธอย่ากโกรธจะถูกอะไรก็ตามห้ามอาสแสดงอาควา ม, วามโกรธมีดากเงียบลูกไปพอใจดาเงีบยบญาติพี่น้องรวมดาเงียบต้องไม่โกรธอ่ะ พยืนประกาศมีชายอยู่คนหนึ่งเป็นคนธรรมดาแต่ก็เป็นก็เป็นกอดีอคุณเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนไม่รู้จักยืนขึ้นผมขอรับแล้วก็ทรยาทกระถามคุณบวชเป่าบวชครับกลางคืนทำครับอดทนเปล่าผมไม่เคยโกรธครับอ้าวท่านก็ไม่่ไม่ได้แต่งตั้งผ่านไปวันหนึ่งวันที่สองเกเรียกประชุมอีกคนก็มากันเยอะ ฉันต้องแต่ตั้งจะตั้งผู้แทนสักคนหนึ่งเป็นคอลิฟ้าฉันรับผิดชอบงานศาสนาเงื่อนไขหนึ่งต้องนามาสารกลางคืนต้องถือสุดอดในกลางวันต้องไม่มีอะไรนะอัครากที่โกรธคนอย่าให้มีก็คนเดิมเมื่อวานจะยืนขึ้นผมรับเองครับก็เลยแต่งตั้งนี่แหละรุ่นกิฟฟี่คนนี้แหละยืนขึ้นเขาก็แต่งตั้งอารเอท่านจะเป็นคอลิฟ้าของฉัน พออิบลลิสหัวหน้าชัยตอนรู้ก็มันนั่งในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันรู้ปับ๊บมันสั่งลูกน้องเลยเองไปจัดการซุนกิฟรี่เป็นตัวแทนของอัลอัลอาลยซาเนี่ยไปยุ่งให้มันมโมโหทรงชัยตอนตัวเล็กๆไปไม่สำเร็จบวชกลางวันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนามายกลางคืนก็เข้าไม่ถึงอีกแล้วเอ๊ะก็ทไงมันเข้าไม่ได้นะ่ะ บอกงั้นก็มังรายงานว่าผมเข้าไม่ถึงท่านครับเป็นคนดีมากเลยหัวหน้าบอกงั้นฉันเอาเองอิบลิสก็วางแผนมันก็ปลอมตัวไปเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งพอได้เวลาไปทํางานพอกลับมาถึงบ้านทานอาหารเสร็จก็จองปลอยหลุล้ใช่ไหมต้องนอนงีบตอนกลางกลา ง, งวันใช่ไหมตามสุนน้าอับียร์ต้องนอนอบียรนอนมาทุกคนน่ะ พอคอยรู้แล้วพอเริ่มหลับปั๊บคนแก่คนนี้มาปลอมตัวเป็นคนแก่ชายตอนอิบลิสมาเคาะประตูแกลกงที่บ้านอันนังก็ตื่นขึ้นเชิญเชิญเชิญแขกมามาถึงกันแนะนําว่าฉันเป็นคนแก่คนหนึ่งแต่ถูกอาธรรมท่านในฐานะเป็นกอดีตัดสินซะหน่อยก็เล่าเรื่องท่านถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกรังแกยังไงเราเล่าเราจนกระทั่ง เวลานอนหมดที่แผนการของใช้ตองไอ้อิมเียดนะจะนี้คนทํามาันจะนอนวันสังวันเดี๋ยวอารมณ์กรเสียแล้วช่ไหมละ่ะมาคุยคุยอยู่กระทั่งเวลานอนไม่ได้นอนก็ไปทํางานตอนตอนบ่ายอีกกระบะเอ่อ อ, อันยุทธคิดลบอกว่าเดี๋ยวคุณมาหาฉันนะไปหาฉันที่ไหนที่ศาลเขาจะเอาเรื่องกรณีของคุณเนี่ยมาตัดสินมันไม่ไปรุ่งอีกวันหนึ่ง นั่นก็มาหานบีเนี่ยมาหาจุลจุลกิฟต์ในบข้อประตูอีกสามวันวันคุณต้องไม่ไปไปไปหาฉันที่ศาลนะบอกโอ้มันไอคนที่ทําผิดเนี่ยมาหาฉันมาอะไรนะมาเคลียะอ่าไม่ต้องขึ้นศาลก็ได้อ่าไม่มีปัญหาก็ผ่านไปแล้วก็เล่าอีกมันก็มาแกล้งอีกอ่อที่แรกมันร้าวปากว่ามันอะไรนะมันจะคืนดีแล้วก็มาแกล้งต่ออีกวันนี้คุณไปขึ้นศาลกับฉันพอออกไป มันก็ไม่ขึ้นศาลลงว่าสองวันรุ่นกิฟฟี่เนี่ยไปรอที่ศาลแชตตอนตัวนี้ไม่ไปพอวันที่สามเขาประกาศเลยฉันอยู่ไม่ไหวแล้วเพียแล้ววันนี้ห้ามคนเข้าเด็ดขาดนะมาเคาะประตูไม่ได้พอวันที่สามป้าปเอายา ม, มาเฝ้าตามประตูที่จะเข้าบ้านเขาคนแก่คนนี้มาก็จะห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามเข้าเข้าห้ามกันหมด มันก็มองดูไอช่องหน้าต่างบ้านของซุลกิฟต์รีมันมีช่องอยู่นิดนึงอ่ะมันเข้าทะานุเลยเข้ามาอยู่ในห้องซุลกิฟน์รีแล้วก็มาเคาะประตูกำลังนอนอยู่ก็ตกใจอ้าวคุณมาได้ไงทัทั้งที่ประตูปิดหมดมีคนยามเฝ้าด้วยรู้เลยคุณเป็นอิชัยตอนใช่ไหมบอกใช่ขัาเป็นชัยตอนแล้วก็เข้ามาทาไมฉันต้องการที่จะมายุแยคุณให้โมโห ฉันทําอะไรไม่สําเร็จนี่วันสุดท้ายในวันวันที่สามนะขนาดคุณไม่นอนมาสามวันแล้วนะกลางคืนดุขึ้นมาจัดยุทธกลางวันบวชก้อยรู้ล้ไม่ได้พักพอเลยสองสาวันแล้วธรรมดาคนมาต้องโมโหแต่คนนี้มันไม่โมโหฉันยอมแพ้ฉันเนี่ยเป็นอิบลิีไชัตอนมาอะไรนะมากวนคุณมายุคุณแต่ทําให้คุณโมโหไม่สําเร็จฉันยอมแพ้ดังนั้นรุลกิฟตลีจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่รับผิดชอบสูงมากเป็นผู้ที่ทําสัญญาแล้วรับผิดชอบนี่ไะนมาตถือบวตแล้วก็ไม่โมโหทุกทรงคนมายุเท่าไรไม่แสดงอาการโมโหและถูกแต่งตั้งให้เป็นอะไรนะให้เป็ น, นอับอุลละมาับางท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นนบับีเป็นคนซอละอ่าเป็นคนซอละห้ามเยอะเลยเพียงเท่าไรนี่ประวัติของท่านใครนะ ของท่านซุลกิฟลีอัลฮัมดุลิลละเป็นองครับเอาทีนี้ข้อสรุปข้อสรุปของซุลกิฟลีก็คือว่าเราต้องนำเอามาใช้นะหนึ่งอะไรนะเป็นคนที่ลุกขึ้ น, นมาตะฮัจยุดสองถือสินอดนี่เดือนชาบานมาถือซะนะแล้วก็ข้อที่สามอย่าโมโหอัลลอฮ์คนถ้าไม่โมโหได้นี่นะอัลลอฮ์คุณจะเหลิมรู้ดีเรื่องโมโหเนี่ย ผ <laughs> ่านเหตุการณ์มันอ่อยมากอัลลอฮฺถูกด่าว่านั่นอ้างวยที่86จะจบหลือครับว่าอัดเขลนาหุมฟีร์ห์มาตินาอินน่าหุมมินั่ลสลิฮินว่าอัดเขลนาหุมฟีร์ห์มาตินาอินน่าหุมมินั่ลสลิฮิน และเราได้ให้เขาทั้งหลายเข้าอยู่อัดคอลนาแปลว่าให้เข้ามาอยู่อัลลอ์ให้ที่เอ่ยชื่อปวลาหนึ่งอิดรีสองอิสมาอีนสมซุลกิฟลีและก่อนหนะ้าอายูบใช่ไหมคนเหล่านี้เนี่ยเราได้ให้เขาเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในราะมานินาในความอะไรเมตตาของเราเห็นยังครับ เขาว่าคนที่จะอยู่อัลลอฮ์ที่จะจับไปเขามาอยู่ในความเมตตาของเราต้องอะไรอดทนต้องทํางานศาสนาต้องงานศาสนานะ่ายอย่างอื่นก็ศาสนาเหมือนกันแต่ให้ทําเพื่ออัลลอฮ์ซะครับหนึ่งอดทนสอนลุกขึ้นนะมาถามได้ถือถือสิ้นอดแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่โมโหอัลลอฮ์ถ้าไม่โมโหได้นี่นะชั้นหนึ่งใครมาเยอะกว่ากีอัลอลอฮ์คุยกับทำได้ไหม อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ทีนี้เมื่อมาอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกอะไอีกครับอินนาหุมมีนอสเลหีนแท้จริงพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลายโซเลหี ي, เป็นคนดีทั้งหลายเป็นคนซอเลเนี่คะคนซอเลเห็นยังครับวาลาดุนซอลหุนลูกที่ซอเลขอดทูอาพ่ออยู่ในกูโบ ถ, ถึงไหมถึง คนจะสอนแล้วต้องเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเนี่ยต้องมีมารยาทดีลูกขึ้นนมาแต่หัดยุตต้องถือศีลอดบ่อยๆแล้วก็อยา่าโมโหอย่ากโกรธทําได้ไหมอินชาอัลลอฮ์เรารู้แล้วเนี่ยมันจะจะเป็นคนซอนแล้วจะเป็นคนดีทํำยังไงอยู่ในรากม้าของอัลลอฮ์เป็นยังไงเรารู้แล้วอันทำอยุ่แล้วนั้นเราก็ทําตัวเราให้มันกลมกลืนกับคําสั่งของอัลลอฮ์กลมกลืนกับบรรดา น, นาัลลที่อัลลอฮ์เล่าวันกะีกุรอาน อีกอายาหนึ่งไม่จบครับ87สิเเรื่องจันนูนอัลลอฮ์เรื่องนิยาทรออาทิตย์หน้าจันนูนนบีไรนะนบียูนุสอะฮิสลาอยู่ในท้องปลานาฟังอ่ะไม่เล่าหมดเวลาแล้ว س ุลลอฮมวาบคับนิกาชลาอิลลอิลอันตะอัสตะคุตุกะดูบอิไลอัสลามะลกุลมารฮ์มุฮัมมัุลลอฮแบะบรกตุ